เธอมาจากไปเธอตัดสินใจก็เธอคงคิดว่าดีกว่าเธอหันหลังไปเธอไม่กลับมาและเธอไม่เคยทำอย่างนั้น เธอไม่เคยจะคิดเพราะเธอมีทุกทุกอย่างคนนั้นคนนี้หรือคนไหนใครๆก็ง้อเธอส่วนฉันขอลาไปก่อนเพราะฉันไม่ง้อเธอ จนขึ้นใจมันยังปินตาภาพเธอที่เดินไปจากฉันเธอไม่เคยจะคิด ฉันขอลาไปก่อนเพราะฉัน เพราะฉันไม่ง้อเธอเหมือนที่ใครใๆทำฉันไม่ยอมง้มหัวให้เธออีกแล้วจะตายก็ตายก็ให้มันรู้ไปส่วนฉันขอลาไปก่อนเพราะฉัน ทั้งชีวิต